มองลึกลงไปอีกถึงพัฒนาการของบุคคลเมื่อพิจารณาตามหลักเท่าที่กล่าวมาแล้วจะเห็นได้ว่าถ้าปล่อยให้มนุษย์เจริญเติบโตอย่างเป็นไปเองตามธรรมชาติไม่อาศัยปัจจัยทางสังคมเข้าช่วยเสียเลยก็จะมีเพียงอัจฉริยะมนุษย์ไม่กี่คนที่จะสามารถใช้โยนิโสมนาสิกาโดลลำพังตัวนาตนเข้าถึงชีวิตที่ดีงามสูงสุดในทางตรงข้าม การปล่อยให้มนุษย์เจริญเติบโตขึ้นด้วยการหล่อล้อมของปัจจัยต่างๆทางสังคมอย่างเดียวก็ไม่เพียงพอที่จะทำให้เขาเข้าถึงความดีงามสูงสุดที่เขาเองสามารถเข้าถึงได้โดยในยะนี้อาจกล่าวว่าแนวทางพัฒนาบุคคลสองแบบต่อไปนี้เป็นวิธีการสุดตรงที่ผิดพลาดคือหนึ่งการพัฒนา โดยปล่อยให้เป็นไปเองอย่างเสรีตามธรรมชาติ 2. การพัฒนาตามความรุงแต่งต้องการของสังคมการพัฒนาตามธรรมชาติเท่านั้นไม่เพียงพอจะต้องพัฒนาด้วยความเข้าใจสภาวะของธรรมชาติที่จะทําให้วางใจวางท่าทีสัมพันธ์กับธรรมชาติยังถูกต้องได้ผลดีด้วย ในทํานองเดียวกันการพัฒนาตามความต้องการของสังคมเท่านั้นก็ไม่เพียงพอจะต้องพัฒนาด้วยความรู้เท่าทันที่จะให้สามารถหลุดพ้นจากอำนาจปรุงแต่งของสังคมได้ด้วยการพัฒนาที่สมบูรณ์จะต้องเกี่ยวข้องทั้งกับธรรมชาติและกับสังคมทั้งนี้เพราะมนุษย์เกิดขึ้นได้ก็โดยอาศัยทั้งธรรมชาติ และมนุษย์อื่นเมื่อเป็นอยู่ก็ต้องเกี่ยวข้องทั้งกับธรรมชาติและกับมนุษย์อื่นจึงอาจกล่าวถึงการพัฒนาบุคคลที่ถูกต้องสมบูรณ์ว่าเป็นพัฒนาการด้วยความรู้ความเข้าใจที่ทำให้เจริญเติบโตขึ้นอย่างเกือ้อกูลแก่สังคมและอย่างเป็นกันเองกับธรรมชาติรองกับได้ทั้งสังคมและธรรมชาติเป็นที่หล่อเลี้ยงให้ชีวิตงอกงามเ อ, อิบอิ่มเบิกบาน มีความดีงามและความเกษมสารเมื่อคนจะอยู่ร่วมกันด้วยดีแม้เพียงสองคนก็ต้องมีขีดขั้นและความรู้จักควบคุมยับยั้งในทางพฤติกรรมเมื่ออยู่กันหลายคนก็ถึงกับต้องมีข้อกําหนดหรือข้อตกลงทางความประพฤติว่าอะไรพึงเว้นอะไรพึงทําที่ไหนเมื่อใดเพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปอย่างสอดคล้อง ทุกคนได้รับประโยชน์ด้วยกันแม้แต่บุคคลผู้เดียวก็ยังมีความต้องการต่างๆของตนที่ขัดกันซึ่งทำให้ต้องมีการวางระเบียบวินัยสำหรับตนเองเพื่อฝึกการดำเนินชีวิตให้ได้ผลดีคนหลายคนจากทุกทิศขับรถมาเผชิญกันที่สี่แยกแต่ละคนเร่งรีบจะชิงไปก่อนจึงติดอยู่ด้วยกันไปไม่ได้สักคัน ทั้งยุง่งทั้งเสียเวลาทั้งจะวิวาดกันแต่เมื่อยอมกันจัดระเบียบด้วยความรู้ความเข้าใจก็ไปได้โดยสวัสดีทุกคนด้วยเหตุนี้หมู่ชนคือสังคมจึงต้องมีระเบียบนอกเหนือจากสิ่งที่เรียกว่าระเบียบแท้ๆแล้วก็ยังมีระเบียบแบบแผนขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม และสถาบันทั้งหลายในทางสังคมรวมถึงศิลปะวิทยาการต่างๆที่ถ่ายทอดสืบกันมาซึ่งมีผลรวมที่ทำให้สังคมหนึ่งๆเกิดมีรูปร่างของตนขึ้นปัจจัยต่างๆทางสังคมปรุงแต่งสังคมแล้วก็ปรุงแต่งบุคคลให้มีคุณสมบัติสอดคล้องกลมกลืนกับสังคมนั้นด้วยแต่ในเวลาเดียวกัน บุคคลทั้งหลายนั่นเองก็เป็นตัวปรุงแต่งปัจจัยต่างๆทางสังคมสังคมกับบุคคลจึงปรุงแต่งซึ่งกันและกันแต่เมื่อสังคมมีรูปร่างชัดเจนแล้วก็มักมีลักษณะนแน่นอนตายตัวทำให้บุคคลมักกลายเป็นฝ่ายถูกสังคมปรุงแต่งเอาไว้สนองความต้องการของสังคมฝ่ายเดียวแต่ความจริงนั้นบุคคลมีใช่เพื่อสังคมฝ่ายเดียว สังคมก็เพื่อบุคคลด้วยและว่ากันในขั้นพื้นฐานสังคมมีขึ้นเพื่อช่วยให้ชีวิตอยู่กันอย่างดีงามและสามารถบรรลุความดีงามที่สูงขึ้นไปด้วยซ้ําเมื่อมองในแง่นี้สังคมเป็นปัจจัยอุดหนุนเพียงส่วนหนึ่งแต่ไม่เพียงพอที่จะให้มนุษย์บรรลุชีวิตที่ดีงามเพราะสังคมเริ่มตั้งต้นหรือถือกําเนิดขึ้นจากการมีระเบียบ ที่จะให้คนอยู่ร่วมกันด้วยดีแต่เมื่อเขาอยู่ร่วมกันด้วยดีแล้วชีวิตของเขายังมีสิ่งดีงามที่พึงจะเข้าถึงนอกเหนือจากนั้นอีกกว้างออกไปสังคมเป็นเพียงส่วนหนึ่งหรือภาคหนึ่งของสิ่งที่ชีวิตจะต้องเกี่ยวข้องนอกเหนือจากสังคมแล้วก็ยังมีธรรมชาติอีกและสิ่งดีงามสูงสุดนั้นชีวิตจะได้ ต่อเมื่อเข้าถึงธรรมชาติเพราะว่าโดยสภาวะของชีวิตเองแล้วธรรมชาติเป็นพื้นเดิมสังคมเป็นเพียงส่วนอุ้มชูซึ่งอาจช่วยให้ชีวิตอยู่ใกล้ชิดเป็นกันเองกับธรรมชาติก็ได้หรืออาจบิดเลี่ยนปิดบังให้เหินห่างจากธรรมชาติก็ได้อย่างไรก็ตามสังคมแม้ที่มีรูปร่างชัดเจนอยู่ตัวแล้ว ก็มิใช่จะเป็นฝ่ายปรุงแต่งหลอ่อหลอมบุคคลได้ฝ่ายเดียวเสมอไปถ้าบุคคลใช้โยนิโสมนัสิการก็สามารถหลุดพ้นจากอานาจปรุงแต่งของสังคมได้โยนิโสมนสิการนั้นทําให้บุคคลก้าวข้ามหรือมองทะลุเลยสังคมไปถึงความจริงอันไม่จํากัดการของธรรมชาติที่อยู่เบื้องหลังสังคมอีกชั้นหนึ่งเมื่อมีโยนิโสมนสิการแล้ว บุคคลก็สามารถหลุดพ้นจากอำนาจปรุงแต่งของสังคมด้วยสามารถบรรลุความดีงามที่สูงขึ้นไปอีกด้วยและสามารถหวนกลับมาทำการปรุงแต่งสังคมอย่างมีสติได้อีกด้วยหลักการในเรื่องที่ว่ามานี้ก็คือมนุษย์จำต้องมีระเบียบเพื่อความอยู่ร่วมกันด้วยดีสังคมจึงต้องมีวินัยและให้บุคคลมีศีล ที่จะประพฤติตามวินัยของสังคมอย่างไรก็ตามระเบียบวินัยอาจกลายเป็นเครื่องมือจำกัดเสรีภาพของคนหรือถึงกับถูกเรียกได้ว่าเป็นเครื่องมือทาคนให้เป็นทาสของระบบก็ได้ถ้าระเบียบ ว, วินัยนั้นเป็นสักว่าข้อห้ามข้อบังคับที่ถือปฏิบัติตามๆกันไปอย่างมืดบอดหรืออาจเกิดผลร้ายอย่างอื่นอีกหากให้ปฏิบัติด้วยการบีบบังคับ หรือด้วยคำหลอกลวงแต่ในเวลาเดียวกันการแสดงออกที่เรียกว่ากระทำด้วยเสรีภาพก็อาจเป็นเพียงปฏิกิริยาที่ระบายออกไปภายนอกของความมีจิตใจที่ตกเป็นทาสของกิเลสและความทุกข์ภายในตนเองอาจพูดส้อนว่าเป็นเสรีภาพในการแสดงความเป็นทาสเสรีภาพในการที่จะเป็นทาส หรือการยอมให้คนเป็นทาสกันได้อย่างเสรีซึ่งเสรีภาพเช่นนี้มักหมายถึงเสรีภาพในการที่จะทำให้ผู้อื่นให้เป็นทาสด้วยในรูปใดรูปหนึ่งไม่โดยตรงก็โดยอ้อมในเวลาเดียวกันนั้นเองสำหรับคนที่มีจิตใจเป็นอิสระจากการครอบงำของกิเลสและความทุกข์ถ้าถูกปล่อยให้มีโอกาสและเสรีภาพที่จะใช้ปัญญาอย่างบริสุทธิ์ ปราศจากการเคลือบแฝงใดๆอย่างที่เรียกว่าเป็นอยู่ด้วยปัญญาย่อมไม่จำเป็นต้องมีมาตรการใดๆเกี่ยวกับระเบียบ ว, วินยัยเพราะความมีระเบียบ ว, วินัยมีพร้อมอยู่ในตัวของผู้นั้นแล้วและยิ่งกว่านั้นไปอีกก็คือเขาพร้อมที่จะปฏิบัติตามระเบียบ ว, วินัยอะไรก็ได้ที่มองเห็นว่าเป็นไปเพื่อความดีงามเพื่อประโยชน์ของมนุษย์ จุดบรรจบของเรื่องนี้คงมีว่าระเบียบวินัยเป็นสิ่งดีงามในเมื่อกำหนดวางและปฏิบัติด้วยความรู้ความเข้าใจความหมายและความมุ่งหมายยังถูกต้องกล่าวคือศีลจะต้องประกอบด้วยสัมมาทิฏฐิดังนั้นการฝึกให้เด็กมีระเบียบวินยัยจะต้องให้เป็นไปพร้อมด้วยการสร้างความเข้าใจให้เห็นคุณค่าของวินยัยและความจาเป็นที่ต้องมีระเบียบ เมื่อจะวางระเบียบข้อกำหนดกฎเกณฑ์ต่างๆขึ้นพึงให้สมาชิกรู้เข้าใจประโยชน์และเห็นชอบร่วมกันซึ่งจะทำให้ไม่รู้สึกว่าถูกห้ามถูกสั่งถูกบังคับเป็นอยู่อย่างมืดบอดแม้ระบบแบบแผนวัฒนธรรมประเพณีและสถาบันต่างๆที่มีอยู่แล้วของสังคมก็พึงให้สมาชิกรุ่นใหม่และรุ่นได้เรียนรู้เข้าใจคุณค่าโดยถูกต้อง พร้อมกันนั้นก็ฝึกให้เรียนรู้เข้าใจสภาวะธรรมให้รู้จักมองโลกและชีวิตตามความเป็นจริงตามธรรมชาติที่จะให้หลุดพ้นจากอานาจปรุงแต่งหล่อล้อมของสังคมและเข้าถึงความดีงามสูงขึ้นไปที่สังคมไม่อาจอํานวยให้ได้แล้วข้อที่สําคัญยิ่งก็คือสังคมนั้นพึงเป็นสังคมที่เป็นกัลยาณมิตรหรืออย่างน้อย เป็นที่มีกัลยานมิตร pues อันพอจะหาได้สำหรับจะมาช่วยฝึกช่วยแนะโยนิโสมนาสิการในเรื่องที่ได้กล่าวมานี้เพ really <yr> ิ่งสังเกตวิธีบัญญัติวินัยสง์ของพระพุทธเจ้าว่านอกจากทรงประชุมสง์ชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ และทรงบัญญัติขึ้นโดยความรับรู้และเห็นชอบร่วมกันแล้วถ้อยคําที่ใช้ก็ไม่มีคําว่าสั่งห้าม บ, าบังคับอย่าหรือจงเป็นตน้นสําหรับลักษณะความที่เรียกกันว่าห้ามทรงใช้ข้อความว่าภิกษุใดกระทําการอย่างนั้นอย่างนั้นก็เป็นอันถึงการละเมิดระดับนั้นๆสําหรับความผิดทั่วๆไปนอกปาติโมก อย่างมากก็ใช้ว่าไม่พึงทำอย่างนั้นอย่างนั้นส่วนลนะักษณะความที่เรียกกันว่าสั่งหรือบังคับทรงใช้คำว่าอนุญาตหรืออย่างมากก็ใช้ว่าพึงทำอย่างนั้นอย่างนั้น